คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้มิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่เก้าถามที่ว่าเดิมทีจิตประพัดสอนนั้นหมายถึงจิตของเด็กทารกแรกเกิดหรือเปล่าคะถ้าใช่จิตของเด็กทารกกับจิตของพระอรหรันต่างกันอย่างไรมีอะไรมาทําให้แตกต่างตอบจิตผู้รู้นั่นแหละครับคือจิตประพัดสอน มันประพัดสอนเพราะมันยังไม่ถูกอุปกเลจ์จรมหาห่อหุ้มในทางปฏิบัติเมื่อเราสามารถแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ออกจากกันได้แล้วจิตจะทรงตัวรู้ผ่องใสเบิกบานอยู่ในตัวเองแต่ตรงนี้ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่ามันก็ยังเป็นภพอีกอันหนึ่งจิตยังคล้องยังยึดอยู่ในภาวะที่รู้ว่างผ่องใสเบิกบานนั้นเราไม่สามารถเห็นได้ว่า ตรงนี้เป็นภพอันหนึง่งเป็นก้อนทุกอันหนึง่งไม่สามารถมองเห็นตัณหาอันละเอียดที่ก่อภพอันนี้ขึ้นหากใครปฏิบัติติดอยู่เพียงแค่นี้ก็บางครั้งบางคราวเท่านั้นที่จิตจะปล่อยวางภพอันนี้ได้ชั่วคราวแล้วจิตคลิกไปอีกสภาพหนึง่งเป็นความเบาเป็นอิสระเป็นธรรมชาติอันหนึง่งแต่ไม่นานยังมากก็สามสี่วันตัณหาที่ยังมองไม่เห็นก็สร้างภพของจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่ แล้วก็ติดข้องอยู่ในภพเพราะมองไม่ออกถึงเงื่อนต้นเงื่อนปลายของมันครับ 6. กรกฎาคมพุทธศักราช2542สันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชในปัจจุบันถามจากคำสอนที่ว่าให้ค้นหาตัวผู้รู้ให้พบแล้วทำลายตัวผู้รู้เสียข้อความเนี้ย หมายถึงการทำลายมานะอันเป็นสังโยชน์ข้อ8หรือเปล่าครับตอบการทำลายผู้รู้ไม่ใช่การทำลายมานะหรอกครับแต่หมายถึงการปล่อยวางความยึดมั่นในจิตผู้รู้ว่าเป็นเราหรือของเราคือเห็นว่ากระทั่งจิตก็เป็นเพียงสภาพธรรมอันหนึ่งมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองถาม ทำไมแค่รู้กิเลสก็สิ้นได้ครับตอบเรารู้เพื่อเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเท่านั้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมานั้นมันต้องดับไปในที่สุดและไม่เป็นไปตามความอยากของเราแต่เป็นไปตามเหตุของมันเมื่อจิตรู้ความจริงจิตก็ปล่อยวางไม่เข้าไปแทรกแซงสิ่งใดคือพอเห็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้ว่า มันก็เท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองเมื่อจิตรู้จักปล่อยวางจิตก็ไม่ทุกข์การที่เรารู้ทันกิเลสที่กำลังปรากฏแล้วกิเลสอ่อนกำลังลงหรือหายไปนั้นไม่ใช่เพราะเราไปไลกกิเลสไปหรอกครับอย่างมีใครสักคนมาด่าคุณคุณฟังแล้วโกรธพอโกรธแล้วก็จะยิ่งเพิ่มความสนใจคนที่มาด่าคุณมากขึ้นยิ่งสนใจก็ยิ่งคิดยิ่งแคน ความโกรธก็ยิ่งรุนแรงขึ้นแต่เมื่อใดคุณย้อนกลับมาเห็นความโกรธที่กำลังเกิดขึ้นและเห็นว่ามันทำให้จิตใจของคุณเป็นทุกข์จิตใจของคุณก็จะไม่คล้อยตามสิ่งที่กิเลสสอนให้ทำเช่นไม่ตัดสินใจโดดชกคนที่มาด่าเราและในขณะที่รู้ทันกิเลสอยู่นั้นความสนใจของเราไม่ได้อยู่ที่คนที่มาด่าเราไม่ได้คิดปรุงแต่งเพิ่มเติมว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ กิเลสก็เหมือนไฟที่ขาดเชื้อมันก็อ่อนกำลังแล้วดับไปเองเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อละกิเลสแต่เพื่อละความเห็นผิดของจิตใจที่ไปหลงเชื่อวิ่งตามกิเลสแล้วพาทุก์มาให้ตัวเองแต่เราก็จำเป็นต้องรู้กิเลสเพราะถ้ารู้ไม่ทันกิเลสมันจะทำผิดเอาคือถ้ามันครอบงำจิตใจได้มันจะพาคิดผิดพูดผิดทาผิด และจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้การที่เรารู้กิเลสนั้นเราไม่ได้รู้เพื่อจะละมันเพราะตราบใดยังมีเชื้อของกิเลสหลบซ่อนอยู่ในจิตใจส่วนลึกแล้วหากมันมีผัดสะทางตาหูใจกิเลสที่ซ่อนนอนก้นอยู่ในจิตใจก็จะผุดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเร่งเรา้าให้เราหลงให้เรารักให้เราชังสิ่งต่างๆจิตใจก็เสียความเป็นกลางไป แล้วเราไม่ต้องไปคิดเรื่องตัวผู้รู้อะไรหรอกครับถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้ว่ามีกิเลสแล้วรู้ทันจิตใจตนเองว่ามันยินดียินร้ายตามกิเลสหรือไม่มันหลงมันเผลอมันอยากมันยึดหรือไม่รู้เรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะเข้าใจเองว่าถ้าจิตหลงตามแรงกระตุ้นของกิเลสแล้วเกิดความอยากความยึดขึ้นมาเมื่อใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น จิตก็จะมีฉลาดพอที่จะไม่หลงกลกิเลส ท, ที่มันรู้ทันแล้วอีกต่อไปเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช2542สันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมชปามอโชในปัจจุบันเพียงแแรกล เออพน ทินอันอยากเรียบป้า